จังหวัดนครราชสีมารหรือที่เรียกว่าโคตราชค่ะเปรียบเสมือนว่าเป็นประตูสู่ภาคอีสานซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ259กิโลเมตร เป็นเมืองใหญ่บนดินแดนที่ราบสูงที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมานะับเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ผู้มาเยือนจะต้องเพลิดเพลินกับกิจกรรมท่องเที่ยวอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าศึกษาธรรมชาติพักผ่อนหย่อนใจริมอ่างเก็บน้ําชื่นชมความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมของโบราณและเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นเมืองทั้งยังได้อิ่มอร่อยกับอาหาร ยีสันต้นตำรับก่อนกลับนะคะก็ยังได้ซื้อสินค้าเกษตรหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีให้เลือกอีกมากมายค่ะคำว่านครราชสีมาเกิดจากการรวมชื่อเมืองโบราณสองเมืองก็คือเมืองโค ร, ราชแล้วก็เมืองเสมาซึ่งอยู่ในเขตอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณหลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยที่มีการเผยแพร่ของวัฒนธรรมทราวดีและวัฒนธรรมแบบขอมเข้ามาในดินแดนแถบนี้ <c oughs> เคยมีฐานะเป็นเมืองเจ้าพระยามหานคร <c oughs> เช่นเดียวกันกับเมืองนครศรีธรรมราชทางภาคใต้นะคะมีอำนาจปกครองหัวเมืองน้อยใหญ่ในสายอีสานหลายแห่ง ปัจจุบันนครราชสีมายังคงมีความสำคัญอย่างต่อเนื่องในฐานะที่เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านคมนาคมเศรษฐกิจ ของภาคอีสานหากใครมีโอกาสเดินทางไปยังจังหวัดนครราชสีมาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดสำหรับการไปกราบไหว้สักการะนั่นก็คืออนุสาวรีย์เท้าสุรนารีถึงสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2476ตั้งอยู่หน้าประตูชุมพลซึ่งเป็นประตูเมืองเก่าทางด้านทิศตะวันตกค่ะ สำหรับตัวอนุสาวรีย์ของท้าวสุรนารีนะคะหล่อขึ้นด้วยทองแดงรมดำสูง 1.85 เมตรหนัก325กิโลกรัมประดิษฐานอยู่บนภัยทีสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12สูง 2.5 เมตรแต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทานมือขวากุมดาบปลายดาบจรดพื้นมือซ้ายเท้าเสเอวหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร บริเวณฐานอนุสาวรีบรรจุอัธิของเท้าสุรนารีซึ่งเป็นที่เครารพสักการะของชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงค่ะนอกจากบริเวณฐานอนุสาวรีดังกล่าวแล้วอธิของเท้าสุรนารีนะคะก็ยังถูกบรรจุไว้ที่วัดศาราลอยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองทางเข้าแยกจากถนนรอบเมืองเข้าไปประมาณ500เมตรอยู่ติดกับลำตะคลองซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำมูลค่ะ ภายในบริเวณวัดนะคะมีพระอุโบสถเก่าแก่อายุกว่า100ปีและพระอุโบสถหลังใหม่สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2510เป็นลักษณะศิลปะไทยประยุกต์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยโดยสร้างเป็นรูปสัำเาวโต้คลื่นใช้วัสดุพื้นเมืองคือใช้กระเบื้องดินเผาด่านเกวียนวัดนี้นะคะได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนาจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และรางวัล จากมูลละนิธิเสถียรโกเกตนาคาประทีปในปีพุทธศักราช2516 วัดสาราลอยนะคะในจังหวัดนครราชสีมานับว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวโคราชเคารพนับถือเป็นอย่างมากเป็นระยะเวลามากกว่า200ปีค่ะทั้งนี้กล่าวกันว่าเมื่อครั้งท้าวสุรนารีหรือยโมเสร็จศึกสงครามจากทุ่งสำริดขณะยกทัพกลับเมืองนครราชสีมาได้แวะพักบริเวณท่าตะโกและได้สั่งให้ทหารทาแพรเป็นรูปศาลาเสียงทายลอยไปตามลาตะคอพร้อมตั้งจิตอธิษฐานหากแพร รูปสาลานี้ลอยไปติดอยู่หนะ้าที่แห่งใดจะสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์หน้าที่แห่งนั้นจากนั้นนะคะแพก็ได้ลอยไปติดอยู่ที่ริมฝั่งขวาของลาตะคลองค่ะซึ่งเป็นวัดร้างจึงได้สร้างพระอุโบสถเป็นวัดสาลาลอยในปัจจุบันนะคะ สำหรับวีรกรรมของเท้าสุรนารีหรือท่านผู้หญิงโมตามประวัติศาสตร์กล่าวไว้ค่ะว่าเมื่อปีพุทธศักราช2369ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าอนุวงศ์เจ้าผู้ครองนครเวียงจันท์ยกกองทัพเข้ายึดเมืองนครราชสีมาในยามนั้นคะ่ะเจ้าเมืองและก็พระยาประหลัดเมืองนครราชสีมาไปราชการเจ้าอนุวงศ์กวาดต้อนชาวเมืองหญิงชายรวมทั้งคุณหญิงโมภรยาของประหลัดเมืองเพื่อ ก็จะนำไปเวียงจาน ขณะพักแรมที่ทุ่งสำริดเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2369คุณหญิงโมลร่วมกับหลวงนรงสงครามหัวหน้าชาวเมืองก็ได้ออกอุบายโดยให้ชาวเมืองเลี้ยงสุราอาหารแก่ทะหารลาวที่ควบคุมมาทหารเจ้าอนุวงศ์เสียกลนนะคะก็กินเหล้าเมายาจนขาดสติเกือบหมดกองทัพค่ะเมื่อได้โอกาสอันเหมาะสมแล้วกาลังของชาวโคราชนะคะที่ทุ่งสำริดก็โจมตีเข็นฆ่าทหารเวียงจันอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งก็นำไฟไปใส่เกวียนที่บรรทุกดินดำจนระเบิดขึ้นสังหารทหารลาวล้มตายเป็นจำนวนมากที่รอดตายก็หนีแตกกระเจินกันไป วีรกรรมของคุณหญิงโมครั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้พยาประหลัดเมืองนครราชสีมาผู้เป็นสามีค่ะเป็นเจ้าพระยามหิจราธิบดีปรากฏในพงศาวดารมาจนถึงทุกวันนี้กระทั่งต่อมาทางราชาการได้ถือเอาวันที่สมีนาคมเป็นวันไทยอาสาป้องกันชาติ ท้าวสุรน า, ารีถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือน5ปีชวดจัดตตวาศกจส .12 สอ หนึ่งสี่หรือปีพุทธศักราช 2,359 สิรอหิุรวมอายุได้81ปีค่ะเจ้าพระยามหิสาธิบดีผู้เป็นสวามีก็ได้ชาปนากิจแล้วก็สร้างเจดีบรรจุอัฐิไว้ที่วัดศาลาลอยซึ่งท่านเท้าสุรนารีได้สร้างขึ้นนั่นเองนะคะปัจจุบันนี้นะคะสถูปบรรจุอัฐิของเท้าสุรนารีหรือว่ายา่าโมภายในวัดศาล า, าลอยนี้ก็มีผู้คนเดินทางไปกราบไหว้สักการะเป็นจานวนมากค่ะทั้งนี้ เพราะว่าต่างเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่พึ่งพาพักพิงใจได้เสมอหากได้รับความทุกข์ใจไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม ทุกๆวันนี้นะคะจะมีผู้คนไปกราบไหว้ขอโชคขอพร อ, อาจรวมถึงเลขเด็ดก็มีค่ะเมื่อมีคนสมหวังก็นำเครื่องมาเส้นถวายไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปพ่อค้าแม่ขายรวมไปถึงบรรดาข้าราชการน้อยใหญ่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ต่างยึดสถูปบรรจุอธิของแม่ย่าโมแห่งนี้เป็นที่พึ่งทางใจด้วยเช่นกันนะคะ สำหรับปูชนียบุคคลอีกหนึ่งท่านนะคะที่ประเทศไทยของเรายังคงจารึกถึงคุณงามความดีแล้วก็ความสามารถนั่นก็คือสุนทรภู่ค่ะสุนทรภู่เป็นกวีคนสําคัญของชาติคนหนึ่งถ้อยคําประโยคนี้ก็คงจะไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่ากวีคนสําคัญของชาติที่ชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีท่านนี้ก็คือสุนทรภู่กวีเอกของโลกผู้เป็นบรมครูกรอนสุภาพและนิยายประโลมโลกซึ่งแม้ ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนนะคะ ผลงานของท่านสุนทรภู่นะเป็นผลงานอมตะมีคุณค่าสืบเนื่องยาวนานจากอดีตสู่ปัจจุบันและนอกเหนือจากผลงานทางด้านการประพันธ์ของท่านสุนทรภู่แล้วเนี่ยยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งวันนี้นะคะเราอยากจะนําเสนอสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นสถานที่ที่สุนทรภู่ท่านเองเคยใช้เป็นที่พักอาศายัยขณะบวชอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งนั่นคือกุฏิสุนทรภู่ภายในวัดเทพทิดารามกรุงเทพมหานครค่ะ ซึ่งบางท่านอาจไม่เคยทราบมาก่อนดังมีปรากฏในนิราชรำพันพิลา บ, บทหนึ่งว่าเคยอยู่กินถิ่นที่กระดีก่อเป็นตึกต่อต่างกำแพงฝากแฝงฝาเป็นสองฝ่ายท้ายวัดวิปัสสนาข้างโบสถ์บาเรียนเรียงเคียงเคียงกัน สถานที่ที่กล่าวถึงนี้เป็นกุฏิที่ท่านสุนทรผูกวีเอกสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เคยจำพรรษาขณะที่บวชเป็นพระภิกษุระหว่างปีพุทธศักราช 2,383 ถึง 2,385 ค่ะและได้เขียนบทกลอนเรื่องรำพันพิลาบขึ้นมีพรรณนาถึงความงามของพระอารามรวมทั้งปูชนียสถานและปูชนียวัตถุของวัดอย่างละเอียดค่ะ ปัจจุบันทางวัดก็ได้อนุรักษ์กุฏิไว้และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ทุกวันโดยเก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้ของท่านขณะจำพรรษาไว้เป็นอย่างดีมีรูปหล่อเครื่องตัวของท่านเมื่อครั้งยังเป็นพระภิกษุประดิษฐานไว้เป็นอนุสรณ์ตั้งเด่นอยู่ที่มุมห้องด้านในและมีทั้งสมุดขอย200ปีคำภีพระมาลัยตำรารักษาโรคต่างๆรวมถึงเครื่องใช้เล่นแร่แปรธาตุและอีกหลายอย่างนะคะ ส่วนด้านนอกของกุฏิสุนทรภู้ค่ะมีไม้ดัดเป็นรูปนางยักษ์ผีเสื้อสมุทรซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญในเรื่องพระอภัยมณีผลงานเรื่องชื่อของสุนทรภู้ตั้งยืนเด่นอยู่ข้างๆนอกจากนี้นะคะทางวัดยังมีการจัดกิจกรรมรำลึกถึงกวีเอกผู้นี้ในวันที่26มิถุนายนเป็นประจำทุกปีค่ะ สุนทรผู้ท่านถึงแก่อานิจกรรมเมื่อปีพุทธศักราช 2,398 สิริรวมอายุได้70ปีก็คาดว่าคงจะได้รับพระราชทานเพลิงศพที่วัดสัเกตรหรือวัดสุวรรณารามไม่ก็วัดใดวัดหนึ่งนะคะสำหรับวัดเทพธิดารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีตั้งอยู่ภายในกำแพงพระนครถนนมหาชัยสำราญราชเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะสมัยก่อนเป็นวัดเล็กๆที่มีอาณาบริเวณประมาณ25 พระอารามแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สมทรงสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2,379 แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2,382 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแก่พระองค์เจ้าหญิงวิลาศซึ่งภายหลังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโ ป, ปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นทรงกรมเป็นกรมหมื่นอับสอนสุดาเทพซึ่งเป็นองค์พระธิดาที่พระบรมราชชนกทรงโปรดปรานยิ่งค่ะ สำหรับวัดแห่งนี้นะคะพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นอับศรสุดาเทพได้ทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมสร้างด้วยด้วยเหตุนี้จึงทรงพระราชทานนามว่าเทพทิดารามวัดเทพทิดารามเป็นวัดที่ท่านสุนทรผู้อยู่จำพรรษาแห่งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะลาสิกขาออกมาใช้ชีวิตเป็นคาราวาสและกลับเข้ารับราชการเป็นครั้งสุดท้ายก่อนถึงแก่อานิจกรรมและปัจจุบันกุฏิซึ่งเคยจําพรรษาของท่านสุนทรผู้ก็ยังคงถูกเก็บรักษา วรวมถึงเครื่องอัฐาบริหารบางอย่างซึ่งเป็นของสุนทรผู้ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะ สำหรับชีวิตของสุนทรภู้นั้นค่ะอยู่ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินเป็นกวีที่มีชีวิตอยู่ถึงสี่แผ่นดินคือกำเนิดในรัชกาลที่1ถึงแก่อานิจกรรมในรัชกาลที่4ถึงแม้ในยุคสมัยนั้นของสุนทรภู้จะมีกวีที่เรืองนามหลายท่านแต่ละท่านก็มีความเด่นในด้านของตนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายทรงเป็นจินตกวีบทละครราที่มีพระเกียรติสูงสุด สมเด็จพระประมานุชิตชิโนรถทรงสันทั์ในด้านลิขิตและฉันจนหาคนเทียบได้ยากค่ะส่วนนายนรินทร์ที่เบตเป็นยอดในเรื่องของโครงรำพันพิสวัดสำหรับสุนทรผู้เป็นกวีเหนือกวีอื่นๆในเรื่องกลอนสุภาพและนิยายประลมโลก แม้ว่าสุนทรภู้จะมีชาติกำเนิดในตระกูลสามัญชนแต่ด้วยความสามารถปราดปรเปรื่องในการแต่งกลอนได้ช่วยให้สุนทรภู้เป็นกวีที่ปรึกษาแนราชสำนักของพระบาทสมเด็จพระพุธทธเลิศล้านนภาลายรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นยุคสมัยที่วรรณคดีประเภทร้อยกรองได้เจริญถึงขีดสุดนะคะ อาจจะกล่าวได้ค่ะว่าสุนทรผู้เกิดมาเพื่อเขียนหนังสือโดยแท้ท่านได้เขียนหนังสืออย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอด4ี่รัชกาลประมาณ50ปีและสามารถจะเขียนหนังสือได้ทุกสถานที่ทั้งในบ้านในวังในเรือหรือแม้กระทั่งในคุกค่ะผลงานของท่านจึงให้คุณค่ายอย่างสูงส่งเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้และกะวีรุ่นหลังอาศัยทัศนะงานนิพนธ์ของท่านเป็นแบบอย่างสืบมานะคะ สำหรับชีวประวัติของสุนทรผู้ประดุดความฝันหรือนิยายเรื่องหนึ่งเพราะตลอดชีวิตเต็มไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่ั่นสะเทือนใจมีทั้งความรุ่งโรดตกยากทุกข์เข็นจนเลือดตาแทบกระเด็นแล้วก็กลับรุ่งโรดขึ้นอีกครั้งเป็นชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งที่เคยมีตำแหน่งเป็นถึงกวีที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ที่เป็นจอมกวีแต่ต้องมากลายเป็นคนขี้คุกเป็นพ่อค้าเรือเร่เป็นคนเจ้าชู้ แม้ว่าสุนทรผู้จะถึงแก่อนิจกรรมไปนานแล้วแต่ว่าผลงานของท่านยังคงอยู่ยังเป็นมรดกที่ล้ำค่าของชาวไทยโดยเฉพาะงานนิพนธ์ที่เป็นนิราชนะคะยังคงเป็นที่ประทับใจมาตลอดแม้ว่าวันนี้ชาวไทยได้เทิดทุนท่านในฐานะอมตะกวี ir, ที่ควรแก่การสะดุดีเป็นอย่างยิ่งจึงพร้อมใจกันยกย่องว่าเป็นบรมครูกรอน8ค่ะ ในปีพุทธศักราช2527คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้เสนอองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกให้ประกาศเกียรติคุณว่าสุนทรผูเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของชาวไทยในปีพุทธศักราช2529มีผลงานด้านวัฒนธรรมดีเด่นแล้วก็เป็นกวีของประชาชนรวมทั้งให้องค์การแห่งนี้ช่วยเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของสุนทรพูไปอย่าง สมาชิกทั่วโลกอีกด้วยค่ะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดมีความสนใจอยากก้าวเข้าไปสัมผัสกับสถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งท่านสุนทรภู้เคยใช้เขียนผลงานอมาตะของท่านก็สามารถเดินทางไปยังวัดเทพทิดารามได้ทุกวันนะคะแล้วก็กติสุนทรภู้แห่งนี้จะเปิดให้กับผู้ที่สนใจเข้าชมได้ทุกวันเช่นกันค่ะ นอกจากกุฏิสุนทรภู้ดังกล่าวแล้วนะคะยังมีสถานที่สำคัญเกี่ยวกับท่านสุนทรภูอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไปนั่นก็คืออนุสาวรีสุนทรภูซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดชีประขาวหรือวัดศรีสุดารามวรวิหารในซอยบางขุนนนท์กรุงเทพมหาคนครค่ะสืบเนื่องในช่วงวัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มนะคะสุนทรภูก็ได้ศึกษาเล่าเรียนที่วัดชีประขาวหรือวัดศรีสุดารามวรวิหาร ที่อยู่ใกล้บ้านท่านปัจจุบันก็อยู่ในซอยบางขุนนนท์ไม่ไกลาจากถนนจรัญสนิทวงเท่าไหรนะ่นัก คนเฒ่าคนแก่เท่านั้นก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเมื่อก่อนบริเวณวัดแล้วก็ย่านนี้เป็นสวนลิ้นจี่เต็มไปด้วยความสงบแต่ว่ามาถึงตอนนี้สภาพเก่าๆ เ, เหล่านั้นไม่เหลือแล้วกลายเป็นบ้านของผู้คนที่อยู่กันอย่างหนานแน่นแทนเมื่อเดินเข้าไปในวัดเพื่อสอบถามว่ายังคงมีอะไรเกี่ยวข้องกับสุนทรผู้หลงเหลืออยู่หรือไม่ก็ปรากฏนะคะว่ามีอยู่สิ่งเดียวที่ทําให้รู้ว่าวัดชีประขาวแห่งนี้เคยเป็นที่เรียนที่เล่นและที่ทํางานของสุนทรผู้ เพราะว่าท่านเป็นครูสอนผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นเสมียนนั่นก็คืออนุสาวรีสุนทรผู้ซึ่งมีปรากฏในโคลงนิราชสุพรรณตอนหนึ่งบอกว่าวัดปราขาวคราวรุ่นรู้เรียนเขียนทาสูตรสอนเสมียนสมุดน้อยเดินระวงังระวังเวียนวางวัดปราขาวเอย่ยเคยชื่นกลืนกลิ่นส้อยสวัดห้องกลางสวน อนุสาวรีย์สุนทรผู้นี้เป็นรูปปั้นจำลองท่านในวัยเด็กค่ะซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีเทคโนโลยีการถ่ายภาพจึงไม่มีใครบอกได้นะคะว่าหน้าตาของท่านเป็นเช่นที่เห็นอยู่หรือไม่ อย่างที่บอกไปว่าอดีตสุนทรผู้ณะบริเวณนี้แทบจะไม่มีสิ่งใดหลงเหลือไว้แม้กระทั่งปัจจุบันก็เหมือนไม่มีใครรู้ว่าที่วัดนี้มีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่รอบๆนี้นะคะก็เลยดูเงียบเหงาที่แท่านหน้ารูปปั้นก็จะเห็นเพียงแค่รอยเทียนที่ถูกจุดแล้วก็พวงมาลัยเก่ า, กาๆแห้งๆวางไว้อย่างเดียวดายสาหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่ไปแถวบางขุนนนท์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นย่านของกินที่มีชื่อก็น่าจะแวะเข้าไปสัมผัสกับความสงบของวัดชีประขา ถือโอกาสทำบุญให้อาหารปลาที่อยู่ในคลองบางกอกน้อยหน้าวัดที่สำคัญค่ะอย่าลืมนะคะไปทำความเคารพอนุสาวรีย์สุนทรภู้ซึ่งตั้งอยู่ที่ด้านหลังของรูปปั้นสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรห ม, มรังสีด้วยก็แล้วกันนะคะ